ถ้าไม่จริงหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่นักเทศไม่ใช่ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ใช่นักมวยอาชีพอย่างนั้นอ่ะเป็นนักมวยสมัครเล่นไปอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์เป็นองค์เทศไม่มีองค์ไหนเทศหลวงพ่อก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งเป็นคราวไปถ้ามีครูบาอาจารย์เป็นองค์แสดงธรรม หลวงพ่อก็จะยกให้ครูบาอาจารย์เป็นองค์แสดงเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยรู้ตัวว่าไม่ใช่จะเป็นนักเทศนักธรรมแต่ไหนแต่ไรมาแต่ถ้าว่าไม่มีครูบาอาจารย์อย่างยุกนี้สมัยนี้ตะก่อนก็มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ในถินฐานอิสานของเราเนี่ยมีมากองค์แสดงธรรมหลวงตา อย่างหลวงปู่เลียนหลวงพ่อทูลมีหลายๆอบแต่บัดนี้ครูบาอาจารย์ก็รงโรยไปตามอายุสังขารท่านก็อายุมากแล้วท่านจะมาเทิดงานเล็กๆน้อยๆแต่คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีก็ล่นลงมาเรื่อยๆเลยล่นลงมากขึ้นเะนี่ยคือล่นของหลวงพ่อเนะี่ยคราวนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ได้ถาม พระบอกว่าหลวงพ่อคูณอยู่ไหมหลวงพ่อคูณวัดภูดินอยู่ไหมบอกว่าท่านมาอยู่ท่านไปกรุงเทพถ้าอยู่ก็นิมนต์หลวงพ่อคูณมาเทศจะ ต, ตอนเย็นตอนเช้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะไปตอนเช้าก็ได้แต่ถ้าว่าไม่มีหลวงพ่อคูณเทศก็คณะศรัทธาญาติโยมก็คงมาในวัดแล้วก็คงจะ มีศาสนพิธีขึ้นมาถ้าไม่มีใครพูดกล่าวอะไรเลยกับดูจะไม่ดีกับมั้งนี่แหละหลวงพ่อก็เลยได้มาร่วมงานตอนเย็นในวันนี้นะแต่ตางไม่จริงหลวงพ่อกับหวังหลวงพ่อคูนั่น ะ, ะจะเป็นองค์แสดงธรรมสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเป็นมวยมวยมวยนอกเวทีมวยสมัครเล่นเหมือนกัน่วันนี้นะครับว่าเป็นวัน มงคลมหามงคลวันหนึ่งพวกคณะศรัทธาญาติโยมมีอาจารย์บุพภาโตภาคงามเป็นประธานหมู่พวกเพื่อนหาทุนมาเพื่อจะร่วมสมทบสร้างเจดีย์ของหลวงปู่เพียรวิริโยที่ท่านมรณภาพไปเกือบสองปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็การก่อสร้างก็ไป ได้เรื่อยๆไปได้ดีไม่มีอุปสรรคทั้งที่ท่านก่อสร้างก็สดก่อสร้างในน้ำํำแต่พวกเราก็คงจะแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมที่บกยังมีเยอะแยะทําไมจึงสร้างในน้ําพวกเราก็คงจะมีคําถามในใจนะแต่คงจะไม่กล้าถามก็มีแต่มาเห็นแล้วก็เอาท่านสร้างที่ไหนก็คือสร้างแต่ตามไม่จริงคณะกรรมการ ได้ร่วมกันจัดงานเนี่ยพวกเราได้คิดกันพอสมควรที่ว่าเราจะวางแผนยังไงเราจะสร้างที่ไหนเจดีของหลวงปู่เพียนของเราเนี่ยก็ได้หารือกันไม่ใช่ว่าคิดทำคิดสร้างขึ้นมาโดยโดยความคิดของผู้ใดใครผู้หนึ่งเราต้องปรึกษาปารรพกันเป็นภาพรวมในเมื่อปรึกษาปารรพกันแล้วมีเหตุผลว่าควรจะลงที่ศัก์เพราะว่าศานี้เป็นที่ว่างเปล่า ก็พร้อมที่จะทำได้และก็พร้อมกันก็ได้ถามวิศวกรสถาปนิกผู้รับเหมาบอกว่าการสร้างข้างนอกกับข้างสร้างข้างในค่าใช้ใจ่ายจะแพงกว่ากันมากไหมเขาก็บอกว่าไม่เกินกันมากถ้าเจดีนี้ก็ไม่น่าจะเกินหกแสนเหมือนกันคณะกรรมการก็เลยมาพิจารณากันว่าเออคงจะเหมาะสมที่จะเอาลงในสาต์เพราะว่า ที่ประชุมเพลิงของหลวงปู่ของเราอยู่ทางขวามือของหลวงพ่อที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เช้าพวกเราก็คงจะเห็นคือที่ประชุมเพลิงแต่ที่แรกเราก็คิดว่าจะสร้างเจดีย์ที่ประชุมเพลิงของหลวงปู่เพียรนี่แหละคือเราจะสร้างที่ท่านที่ประชุมเพลิงของท่านอันนี้ก็คือเป็นประเพณีแล้วก็เป็นเรื่องราวทุกๆองค์เมื่อเราประชุมเพลิงที่ไหนเราก็จะมีการ สร้างพระเจดีย์ในตรงนั้นอันนี่ก็คือถือเกินกันมาแต่นี้หลวงปู่เพียรของเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทีแรกนะพอต่อมาทีนี้พอมาปรึกษาปารุกันเอภูมิทัศน์หรือภูมิประเทศของเราเนี่ยในเมื่อสร้างศาลาอยู่ตรงนี้โรงน้ําร้อนอยู่ตรงนั้นและไปสร้างเจดีย์อยู่ตรงนั้นเวลาคณะสัยตยาจโจ ม, มามากราบพระเจดีย์ ก็จะต้องผ่านทั้งศาลาผ่านทั้งโรงน้ำร้อนเพื่อไปกราบพระเจดีย์แต่ในคนที่มากราบพระเจดีย์นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยอาจจะเป็นฟรองฟรังชาวต่างประเทศเนี่ยอพอมาแล้วก็เดินจุนจานเข้าไปใส่ชุดสั้นๆชุดเคิร์นๆอะไรลักษณะอย่างนั้นนักพระเนงของเรา พระเล็กเนนน้อยที่มานั่งอยู่บนศาลาหรือว่านั่งอยู่ที่ชั้นน้ําร้อนเนี่ยมองดูแล้วก็คงจะบาดตาบาดใจของพระของเนนของเราก็มังถ้าว่าเรามาสร้างเจดีย์ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เรามาวิเคราะห์กันจากนั้นเราก็อืถ้าเป็นอย่างนั้นเราควรจะไปสร้างที่ตรงนี้ดีไหมคณะจัตตารายาตโย ม, มาก็จะได้มากราบมาไหว้ตรงนั้นแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่เข้ามา อวัดวาของพระสงฆ์อันนี้เป็นเขตของสงฆ์อันนั้นเป็นพุทธาวาสเป็นพุทธาวาสก็คือพระเจดีย์พระพุทธรูปอย่างเนี้เพราะนั้น <c oughs> พวกเราจึงได้ลงมติกันเป็นเอกฉันนะอ <c oughs> ก็เลยได้สร้างตรงนั้น น, นี่อันนี้คือความเป็นมาของการสร้างพระเจดีย์นะอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้คณะชาติญาติโยมที่มาเจอมาพบมาเห็นอาจจะสงสัยนะเเออ หลวงพ่อจึงได้บอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดที่พวกเราได้มาพบมาเจอมาเห็นตอนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะแล้วก็พวกอยู่ข้างนอกถ้า ล, ลูกหลานเนะี่ยอย่าไปส่งเสียงดังนาะในขณะที่หลวงพ่อพูดเทพให้คณะจตธายาดโยมให้อยู่ในความสงบพอสมควรและก็พร้อมกันก็ ผู้ที่จะถ่ายรูปกวมงดซะก่อนในช่วงที่หลวงพ่อกําลังเทศนะอย่าถ่ายรูปนะแล้วก็จะไปส่งเสียงดังถ้ามีใครมีโทรศัพท์ก็ปิดโทรศัพท์ไว้ก็ดีเหมือนกันนะถ้ามีใครโทรศัพท์ดังขึ้นในหะ้ออกไปคุยกันข้างนอกอย่ามาคุยกันแข่งหลวงพ่อถ้ามาคุยกันแข่งตรงนี้ไม่ได้หลวงพ่อพูดไม่ได้มหมดเลยหลวงพ่อลงจากธรรมะ ท, ทันทีแหละพูดไม่ได้วั้นอันนี้หลวงพ่อพูดธรรมป่านะธรรมป่ามันออกมาจากใจจริง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 ปานินันตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะครูบาจารย์จากโรงพยาบาลศรีนครินเป็นชมรมพุทธทศาสนามีความพร้อมเพียงสามัคคีที่จะมาทอดผ้าป่าเพื่อช่วยสร้างพระเจดีย์ของหลวงปู่เพียนวิริโย พระหลวงปูเพียนเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็ได้ไปช่วยโรงพยาบาลศรีนครินหลาหลายอย่างหลายหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการทอดผ้าป่าสามัคคีหลวงปูเพียนก็ได้ไปสมทบในการก่อสร้างจากนั้นมาท่านก็ได้ช่วยอะไรบางสิ่งบางอย่างกัโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตา ไปที่ไหนก็ไปด้วยกับองค์หลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นวันนั้นหลวงปู่เพียรจึงเป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งที่ใกล้ชิดกับองค์หลวงตามหาบัวท่านไปที่ไหนองค์หลวงตาก็ได้เอาหลวงปู่เพียรไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงไปกรุงเทพหรือว่าไปแสดงธรรมในที่ต่างๆหรือไป งานทอดผ้าป่าช่วยโครงการช่วยชาติโดยมากจะมีหลวงปู่เพียรติดตามไปตลอดจนมาช่วงหลังๆหลวงปู่ไม่สบายหลวงปู่เพียนของเราไม่สบายท่านก็เคยลาออกแล้วท่านไปไม่ไหวนี่แหละท่านจึงได้พักก็ไม่กี่เดือนกี่ปีหลวงปู่ของเราก็ได้จากไปนี่แหละถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่หลวงพ่อเองก็ถือว่าหลวงปู่เพียนเป็น พี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ของหลวงพ่อให้ความเคารพนับถือหลวงปู่เพียนเพราะว่าดวงตาของเราก็มีลูกศิษย์ผู้ใหญ่ตั้งแต่รุ่นหลวงปู่สิงทองหลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีแล้วก็หลวงปู่เพียนหลวงปู่เพ่งที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่จากนั้นหลวงพ่อก็เป็นรุ่นน้องๆน้องๆลงไปตามลําดับอันนี้ก็คือ เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ครูบาอาจารย์ล่วงลับดับขันไปพวกน้องๆก็จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างสร้างพระเจดีย์ก็เหมือนกันอย่างผ่านสร้างพระเจดีย์ที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยก็ร่วมร่วมกันช่วยช่วยกันคิดคนละไม้คนละมือเหมือนกันใครมีความคิดทางไหนที่จะช่วยกันได้ก็ได้ช่วยกันบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมคนละไม้คนละมือ แต่ว่าการสร้างเจดีย์หลวงงปู่เพียรเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้หนักใจเนืถึงจาเป็นหลวงพ่อเป็นน้องๆของหลวงปู่แต่ก็เพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านสร้างบา ร, รมีมาท่านรู้จักท่านไปกับองหลวงตาใครๆก็รู้จักหลวงปู่เพียนปิริโยเนย่เพราะนั้นเวลาจะสร้างพระเจดีย์ให้พวกเราคิดๆ ด, ดูใชเราไปบอกกล่าวกับใครเขาก็มีศรัทธาศรัทธาญาติโยมทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่าก็มีศรัทธา ที่จะมาร่วมสร้างพระเจดีย์ถึงจะมากหรือน้อยก็ช่วยๆกันทําอันนี้ก็เจดีย์ของหลวงปู่เพียนก็ขึ้นไปพ้นจากสระน้ําขึ้นมาแล้วเป็นพ้นฐานขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะทําง่ายแล้วท่านี่อีกไม่นานก็คงจะเป็นรูปพร่างพระเจดีย์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรื่องการจ่ายงวดงานก็ได้จ่ายไปงวดหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้จ่ายงวดนี้เป็น จ่ายงวดแรกแล้วก็จ่ายงวดใหญ่นะสี่ล้านบาทที่ว่าจ่ายไปแล้วสี่ล้านบาทก็ยังเหลืออีกเพราะนั้นจะตุปใจที่พวกเราได้มาในวันนี้หรือว่าทอดผ้าป่าในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่ยอดสุทธิอย่างไรพวกเราก็คงจะเอาเข้าพระเจดีย์นี้ทั้งหมดเพราะเจดีย์นี้งบงบกันก็ประมาณ10กว่าล้านนะแต่ไม่รู้ว่าล้าน10กว่าล้านนั้นเท่าไหร่ สิบกว่าล้านนั้นเท่าเท่าไหร่แต่เรา ก, ก, ะ, กะไว้ก็ไม่น่าจะเกิน15ล้านนะ ก, ะ, กะไว้ประมาณเพียงเท่านั้นแหะแต่อาจจะต่ํากว่าออหรืออาจจะประมาณนั้นสุดแท้แต่เราจะใช้วัสดุอันไหนที่ประดับตกแต่งแต่เราใช้วัสดุอย่างดีราคาแพงพระเจดีก็ต้องแพงขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเราใช้วัสดุธรรมดาไม่แพงเจดี JD ก็คงจะอยู่ในเกณฑ์นี้อันนี้คือ การสร้างและ ก, การสร้างพระเจดีย์ในหลักของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าถู ป, ปรหาบุคคลสี่จำพวกที่สมควรที่จะสร้างสัททูปและเจดีย์คือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระหันทสาวก พ, พระเจ้าจากกักรพัฒน์ทั้งสี่ท่านสมควรที่จะสร้างสัททูปและเจดีย์ไปประดิษฐานในทางสีแป้ง เพื่อคู่คนทั้งหลายมาในทิศทั้งสี่จะได้มากราบมาไหว้ได้เคารพสักการะบูชาผู้ที่ท่านลดหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลของผู้ได้มากราบมาไหว้มาก่อสร้างมาสักการะบูชาจะติดพบติดชาติไปสู่สวรรค์ประโลกภายภาคหน้านีอันนี้ก็คือการสร้างพระเจดีย์เพราะนั้นพวกเราคณะสัาาตยาธิโยมทุกคน ที่ได้พร้อมกันเสียสละทรัพย์สมบัติมากน้อยก็มีความมุ่งหวังมีความตั้งใจเพื่อจะสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้กราบไปไหว้เป็นกราบไหว้แต่ไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์ทังเททั้งเทวดาทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเราสร้างขึ้นไปขึ้นไปแล้วบนยอดพระเจดีย์พวกเราจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรทุอติหรือว่าพระธาตุของพระรหันในยุคปัจจุบันและก็พระธาตุหรืออติธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็บรรจุพระพุทธปฏิมาบนยอดพระเจดีย์บนโดมพระเจดีย์อันนี้เราคงจะเจาะช่องเอาไว้เหมือนกันอันนี้เมื่อเรามากล่าวรูปเหมือนของหลวงปู่เพียรอัตบริขารรัตทันแล้วเราก็ยกมือไหว้ล้ำลึกถึงพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดพระเจดีย์ และก็ธาตุพระหันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอธิธาตุหลวงปู่เสาบังหลวงปู่มั่นสุดแท้แต่เราจะประกาศให้คณะสัายาติโยมหรือพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้ใดมีพระธาตุที่จะมาบรรจุก็ออนิมนต์เอามาร่วมบรรจุไว้ข้างบนเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของพระเจดีย์อันนี้เราไม่ใช่ว่าจะบรรจุแต่เฉพาะองค์หลวงปู่เพียรองเดียวนะเราจะบรรจุ ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บนยอดพระเจดีย์ด้วยอันนี้เราเคยทํามาทุกเจดีย์ที่เราสร้างมาเนะี่ยเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมานี้เพื่อเป็นที่กราบที่ที่กราบไหว้สักการะบูชาของมนุษย์หองบวนมนุษยชาติผู้ใดมาเห็นแล้วก็ได้กราบได้ไหว้ได้ลําลึกถึงคุณงามความดีดะลึกล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราทั้งนั้นแหละนะนี่แหละอันนี้ก็คือเกิดมาแล้วพวกเราต้องสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่สจิตเข้าสู่ใจของพวกเราอย่าได้เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้คิดไม่ได้ทําอะไรเลยอันนั้นแปลว่าเกิดมาเปล่าประโยชน์แต่ถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นสิริเป็นมงคลของพวกเรา และหลวงพ่อยังอดคิดไม่ได้ว่าวัดป่าน้องกองแห่งนี้นะอยู่ทางขวามือของหลวงพ่อไปนี่มีต้นกระบกอยู่ต้นหนึ่งนะหลวงปู่มั่นเราคิดดูสิหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่ที่นี่นะามาอยู่ที่วัดน้องกองแห่งนี้แหละที่ต้นกระบกเนี่ยทางอยู่ขวามือถ้าพรุ่งนี้เช้ากว่าคงจะถามพวกครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเคยอยู่ที่ไห น, นะพวกท่านพวกเราครูบาทั้งหลายคงจะชี้ให้ดูว่าหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่นะ หลวงพ่อว่าหลวงปู่มั่นนี่มีอนาคตังสายามพอสมควรนะท่านมาอยู่แถ บ, แถบนี้เพื่อวางนากฐานเอาไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปต่อมาถึงยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานเหล่านั้นก็ยังเคารพนับถือครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอย่างที่ อ, อำเภอนายูงก็เหมือนกันเราก็ไม่คาดไม่คิดเหมือนกันหลวงปู่มั่นจะไปอยู่ที่บนยอดเขาน้ําตกยุงทองแต่หลวงปู่มั่นก็เคยไปอยู่ที่นั่น เพราะนั้นท่านก็วางลากฐานไว้ในแถบนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงปู่ของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วท่านมีอนาคตตังสยามกลุ่มไหนที่จะพอที่จะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักแหล่งต่อไปในอนาคตหลวงพ่อวัดท่านตรงรู้แ น, แน่และอีกส่วนหนึ่งท่านก็ไปทางนู่นทางมุกดาหารทางอำเภอคำเชียีน้องสูงที่วัดของคุณแม่ชีแก้วต้งวัดหลวงปู่จาม ที่หลวงตามหาบัวที่ท่านไปจำพรรษาท่านก็ไปอยู่ที่นั่นที่สร้างวัดคือมาขึ้นมาวัดหนองน่องที่หลวงปู่ฟั่นก็เคยไปจำพรรษาที่วัดหนองน่องสองสามพรรษาหนาะหลวงปู่ฟันนั่นแหละท่านก็ไปปลูกฝังในญาติโยมปในถินนั้นเองเดี๋ยวนี้ญาติโยมทางถี่นนั้นก็รู้สึกว่าเป็นผึกแผ่นเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่ า, านี่แหละหลวงพ่อว่าหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ย มีอนาคตังสยานคือรู้จักอนาคตตรงนั้น่ะ้ท่านมองไปดูอนาคตจะมองจุดไหนที่จะเปิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วก็พวกเราเดินตามสายแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่ที่นี่เคยมาพักภาวนาอยู่ที่นี่แต่ท่านจำบรรษาที่บ้านค้อนาลายอยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่อตาบลบ้านค้อเนี่ย หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษานะทอยนั้นในถิ่นนี้เป็นถิ่นครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอยู่เคยมาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนได้เดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้มาสร้างพระเจดีแห่งนี้ก็เป็นสิริเป็นมงคลของชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรทีนเดชบัตรนี้หลวงพ่อจะนําพวกเราเข้าสู่ในภาคปฏิบัติละนาดินนี้นะ ภาคปฏิบัติก็คือหลวงปู่มั่นสอนพวกเราอย่างไรสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรท่านเอาแนวแถวของพระพุทธเจ้ามาสอนอย่างไรให้แก่พวกเราแต่ใ้หลวงพ่อจะยกวรมครูของพวกเราก่อนวรมครูคือครูคือพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านได้ตัดจรู้วันเดือนหกเพนนนั้นน่ะท่านไปอยู่ที่ต้นโพพุทธยานท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่นั่น นั่งสมาธิอยู่ที่โพนต้นโพวันเดือนหกเพนพระองค์นั่งยังไงพระองค์นั่งคัดสมาธินั่งเย็นวันนั้นตอนบ่ายวันนั้นนายโสธิยะได้นํายากามาแปดกำมือเดินผ่านมาก็ได้มอบถวายแก่สิท ธ, ธัตถะสมัยนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังเป็นพระสิทธัตถะอยู่ มอบญาตขาแปดกำมือให้แก่ท่านสิทธะพุทธิพุพอพอทธิสัตว์จากนั้นพระพุทธองค์ได้ญาตขาแปดกำมือก็มาเกลี่ยลงที่โคนต้นโกจากนั้นพระองค์ก็ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะนากํากหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นั่นแหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่ากรรมฐานบริกรรมกรรมฐานอย่างอื่นท่านบริท่านไม่ได้บริกรรมที่อื่นแต่ท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ในวันเดือนหกเพนในวันนั้นจากนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัจ ด, ดงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินจิตใจของพระ อ, องค์รวมเข้าสู่ความสงบจิตใจรวมเข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานนี่คือเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในพระไทยของพระ อ, องค์ตอนหัวค่ํำยังพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน จากนั้นพระ อ, องค์พอเกิดญาณรัตชนะเกิดฌานขึ้นมาพระ อ, องค์น้อมจิตพระ อ, องค์รำลึกชาติผลหลังรละลึกชาติผลหลังได้เนี่ยว่าท่านบอกปุพเพในวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเรายืนยันได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุอะไร ถ้าว่าตายแล้วศูนย์พระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้ไหมระลึกชาติไม่ได้ที่ระลึกชาติไม่ได้เพราะว่าตายแล้วศูนแต่นี่ไม่ใช่เพราะพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นอะไรชาติก่อนเป็นอะไรเป็นหมื่นเป็นแสนชาติพระองค์รู้หมดในวันเดือนหกเพนนนั้นอันนี้แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพอถึงเที่ยงคืนดึกสงัดเข้ามาพระองค์ไม่ได้ลดละกําหนด ใจหรือกำหนดไทยของพระองค์เขับสู่ความสงบให้แนบเรียงลงไปอีกเรีว่าจุตูปะปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาเกิดที่นี่มาได้ด้วยอะไรมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทํากระทํากรรมไม่ดีกระทํากรรมชั่วเกิดมาแล้วก็เป็นคนไม่ดีหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตผิดจากมนุษย์ทั้งหลายเป็นมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์เออเป็นบ้าเป็นบออย่างเนี้ย เเหตุใดเพราะเขาทำกรรมไ ว, ไว้ไม่ดีในอดีตเขามาเกิดมาเกิดแล้วมาเกิดใช้กรรมกรรมไม่ดีแต่ผู้มาเกิดแล้วมีอวัยว ะ, วะทุกทุกอย่างปกติมีความสุขเกิดในตระกูลอันมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอันนั้นบอกบุญพามาเกิดพอมาเกิดแล้วก็มีความมีสติมีปัญญารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ มีสติมีปัญญาแล้วก็อยู่ในสกุลสูงด้วยเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายอันนั้นแปลว่าผู้เกิดผู้มีบุญมาเกิดเพราะพระเจ้ารู้ว่าจุตูปปาติยานการจุติเรื่อการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์รู้ได้ทั้งหมดพอจวนสว่างพระ อ, องค์ก็ได้พิจารณาดูว่าใจดวงนี้มาจากไหน จึงได้มาเกิดที่นี่จังมกุนเวียนเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สุดสิ้นสุดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเกิดแล้วตายแต่แล้เกิดเกิดแล้วตายแต่และเกิดเพราะอะไรเพราะพระองค์ก็ได้พิจารณาด้วยญาณทัศนะของพระองค์นึกย้อนหลังไปดูใจขอ ง, องพระองค์พระองค์ได้พิจารณาปฏิจจะสมุบาทคืออวิชชาปัจจะยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจะยาวิญญาณัง วิญญาณปัจญานามะรูปังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณสุอุปายาตใจดวงนี้ออกมาจากความโง่คือกิเลสคือความหลงออกมาจากความหลงคือความโง่นั่นเองความหลงก็คือความโง่คือความไม่รู้ออกมาจากที่นั่นไม่เกินกว่านั้นพุทธองค์บอกว่าใจดวงนี้ออกมาจากความโง่ออกมาจากกิเลสคือโมหะคือความหลง่จากนั้นจนถึงพวกเรา ทุกโศกร้องให้พิไรรำพันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาจากจุ ด, ดนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลในที่จิตใจตรงนี้ชำระใจตรงนี้ให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในวันเดือนหกเพนจวนจะสว่างวันนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัสรู้ธรรมเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาที่นี่ พระ อ, องค์ก็ประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราตัดกงล้อกำกรรเกวียนออกไปแล้วเราชำระกิเลสราคะโทสะออกจากใจของเราแล้วเนี่นแหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนจะได้มาย้อนถึงหลวงปู่มั่นของเราที่ไหนหลวงปู่มั่นของเราที่ท่าน ได้ออกมาประพฤติปฏิบัติจากนั้นท่านก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบุก ป, ป่าพาดงมาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถึงที่ไม่เคยไปแถวออเภอร์นายุงจะมีทางรถทางราที่ไหนสมัยนั้นตึงห7เจ็ดเจดสบปดิปีให้หลังมาแล้วมาถึงที่นี่ก็เถอะยังไม่มีอะไรมาถึงหลวงปู่มั่นยังตะภายกดตะภายบาดแ บ, บกกด เ, เข้ามาหาภาวนา อยู่ในป่าดงพงไพหลวงพ่อว่าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าจะว่าอัตชริยะก็อัจฉริยะจริงๆหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยจากนั้นท่านก็ได้ได้นํำทำคําสอนของท่านเมื่อท่านได้ภาวนาอยู่ในป่าดงพงไพจนท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเอ่อสำเร็จมรรคสาเร็จผลก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายรู้นีหลวงปู่มั่นบรรณะาภาพไปเลยเห็นไหมที่พิพิธภัณฑ์สกลนคร อธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านได้เห็นได้กราบได้ไหว้ได้เคารพสักการะบูชาเนี่แหละคือพระธาตุของหลวงปู่มัน่นอันนั้นแหะคือพระธาตุของพระอรหันต์ท่านผู้หมดจดจากกิเลสนี่หลวงปู่มัน่นท่านก็เมื่อท่านได้ธรรมะแล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ที่นี่ค่อยๆสอนพระพุทธเจ้ามีสอนว่าให้กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่มัน่นท่านบอกว่า มันยังมีช่องที่จะออกแซว็บออกไปอยู่มันจะเล็ดลอดออกไปได้อยู่เพราะฉะนั้นให้ควรจะมีคําบริกรรมเข้าด ja ้วยบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ให้จิตออกไปข้างนอกคือหายใจเข้ากับบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกนี่แหละจะมีโอกาสจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเอ่ บางองค์บางท่านก็บอกว่าถึงจะบริกรรมพุทโธมันก็ยังมีช่องว่างที่มันจะออกได้อยู่หลวงปู่ท่านก็แนะนําสอนเองว่าให้บริกรรมให้ทีนะให้บริกรรมให้ถีนะ ห, รร ห, ถหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องกําหนดลมทลเอาให้ขณะที่ใจเราคิดนะใจของเราเราคิดคิดคิดคิ ด, คดยให้สำทับพุทโธเขาอยู่จุดนั้นเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่อย่าไปพูดออกปากนะ เอออย่าไปพูดออกเสียงออกปากให้ให้ใจบน่นมันงั้นเหรให้ใจถาสาทยายพุโทโธให้ใจนึกพุโทโธให้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธสามทัพจนไม่มีช่องว่างที่จิตใจจะคิดไปทางอื่นอันนี้ก็เป็นโอกาสจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้แต่หลวงพ่อเองพ่อยุคนี้สมัยนี้ทีนี่อยุคนี้สมัยนี้แต่หลวงพ่อเขาจะไม่ใช่เก่งกาดอะไรหรอกหลวงพ่อเอ๊ะทดลองนับเลยสิเออทดลองนับเลยสิ นับหนึ่งสองสามได้สิหายใจเวลาเราเดินเราหายเรานั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิหายใจเข้าเราบริกรรมนับหนึ่งหายใจออกเราบริกรรมนับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไปถึงร้อยเออคืนถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่ที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าขณะที่เราจะเผลอมันเป็นยังไง ให้พวกเราสังเกตเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองเวลานับหนึ่งเนี่ยเป็นเลขขี้นะเวลาหายใจออกเป็นเลขคู่หายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี่หายใจออกเป็นนับสองเป็นเลขคู่เรานับไปถึงร้อยแต่ถ้าว่ามันจะมันจะเผลอมันจะเบอร์มันจะเบอร์เบเบอเบอร์เลยพอเบอเบอร์แล้วมันจะนับผิดแล้วนะทีนี้หายใจเข้าหายใจเข้ามันจะห้าสิบสองหายใจออกมันจะห้าสิบสามอะไรเลยมันจะขี้ไปเรื่อยเลยทีนี้ เออมันจะผิดแลแหละผิดหลักเลยเมื่อผิดหลักแป้ว่าเราเผลอแล้วเออเราก็ต้องกลับเข้ามาใหม่แต่บางท่านบางคนนับไม่ถึงไหนเผลอแล้วนับไปถึงสิบก็เผลอละเออเพราะฉะนั้นพวกเราการว่าเผลอคําเนี้ยนะอย่าไปดีใจนะถ้าเผลอบ่อยๆเดี๋ยเป็นบ้าได้งนะ่ายๆเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะมันขาดสตินะเออมันขาดสติคนขาดสติไม่ไม่ดีนะเหมือนกับคนขาดตาช่างตาแ็งอย่างนั้นแหละคนขาดสติ เพราะนั้นพวกเราให้พยายามตั้งสติให้เข้มแข็งตั้งสติให้แน่วแน่แล้วก็นับพุทนับหนึ่งนับสองไปเรื่อยอันนี้เวลาก้าวเดินก็เหมือนกัน เ, เวลาก้าวเดินเราก็นับใส่ขาของเราเวลาเดินจงกลมเราก็นับขาขวาพุทธขาซ้ายโถข า, าขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโตตามการตามก้าวเดินของเราหรือเราจะนับหนึ่งสสก็ได้ แต่ทีนี้เราบางคนยุคนี้สมัยนี้เขาก็พูดขึ้นมาอีกเลยทีเดียวเขาบอกว่าทําไมจึงเอาพระพุทธเจ้าไปเหยียบย่กลงที่เท้าของตนเองเ อ, อีมันจะไม่ต่ําเกินไปเหรอไปเหยียบย่าพระพุทธเจ้าลงที่เท้านี่แหละหลวงพ่อเคยแก้ในความคิดของคณะจัตตาญาติจอมที่เขาถามหรือว่าเขาพูดขึ้นมาหลวงพ่อว่าเราอย่าไปคิดอย่างนั้นสิเออใครบอกว่าศรีรษะของเราสูงใครว่าเท้าเราต่ํา ใครเป็นคนให้สมมุติว่าเท้าต่ำตีนสูงสศีรษะสูงเท้าต่ำใครเป็นคนให้สมมุติพวกเราเองเจ้าของเองให้สมมติว่าข้าพเจ้าศีรษะสูงเท้าต่ำถ้าว่าศีรษะสูงเด่นแต่ศีรษะอย่างเดียวตัดเท้าทิ้งเลยสิตัดขาทิ้งเลยสิเท้ามันศีรษะมันจะไปได้ไหมมันก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างในร่างกายมีความเสมอภาคกันทั้งหมด มีความสําคัญเสมอภาคกันทั้งหมดเสมอกันสูงเสมอกันต่ําเสมอกันมีความเสมอกันเ อ, อีนั่นแหละในร่างกายของเราเราจะไปคิดว่าตรงนั้นต่ําตรงนี้สูงถ้าไปคิดถึงขนาดนั้นแล้วนั่นแหละใจของเรามันไม่เป็นสมาธิหรอกเสียยิ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าคิด อ, อคิดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะ่ะเวลาขาขวาพุทขาซ้ายโทเวลาหายใจเข้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรนั่นเองเราไปซีการ ภาวนาสําหรับหลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนจากนั้นท่านก็วิธาวิธีเมื่อทําไปแล้วจะได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์อย่างไรอันนี้พวกเราก็ทํางานสิ่งไหนเราก็ต้องหวังผลใช่ไหมเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องฝังหวังผลเราเรียนหนังสือเราก็ต้องหวังผลเราทําอะไรเราก็ต้องหวังผลอันนี้ก็เหมือนกันเราภาวนา เ, นเราจะได้อะไรในการภาวนาของเราอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่า เวลาเรานั่งภาวนานั่งภาวนาจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเพราะใจของเราไม่ปูงไม่ฟุ้งทางอื่นบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นในเมื่อเราบังคับจิตใจของเราใจของเราก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ปูงไม่ฟุ้งไปที่อื่นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเย็นใจทีเยว็นว่าเอเมื่อเย็นว่าเข้าไปนั่นแะ ไม่เคยมีมาก่อนเลยใจที่เป็นอย่างนี้จิตที่เป็นอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยอันนี้แหละท่านว่าคณิกะสมาธิเจิตใจของเราเริ่มเป็นสมาธิแล้วนะทีนี่ยเมื่อเรามีความใส่ใจมีความสนใจมีความตั้งใจจริงเนี่ยเราจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบอจิตใจจะเข้าสู่ความสงบจิตใจเยน็ๆๆเยนว่างพอเย็นว่างขึ้นมาเราจะจําไม่ลืมเลยจิตใจในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเอจากนั้นเราไม่ลดละ แต่เมื่อมันเป็นไปแล้วเราอย่าไปใส่ใจมันเลยอย่าไปสนใจเอออยากจะให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นคราวนั้นอ่ะเมื่อวานวันก่อนน่ะอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเอนึกคิดอย่างนั้นมันจะไม่เป็นเพราะความอยากอยู่ในใจของเรามีอยู่มันจะไม่เป็นเราต้องหาใหม่อีกนะเออมันผ่านไปแล้วคือมันผ่านไปแล้วเหมือนเราทานอาหารน่ยอร่อยอร่อยมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นอุจจระไปแล้วเราไม่ควรจะไปคิดถึงอาหารที่เราได้ทานไปนั้นเราต้องหาใหม่ หามาทานใหม่เหมือนนี่แหละเราก็หากรรมาทานที่ใหม่เนะี่ยให้ตั้ง อ, อกตั้งใจใหม่เราไม่ต้องคิดถึงจุดนั้นต่อไปจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเรื่อยเรืยรื่อยเขึ้นไปทีนี้เป็นเป็นอุปจารสมาธินะนะั้นนะทีนี้ต่อมาถ้าเราเป็นคณิกะสะก่อนต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิอุปจา ร, สม า, จารสมาธินะี่คืออะไรคือสติกับจิตของเราเนี่ยเมื่อเราคิดเรื่องอะไรสติของเราก็ควบคุม ควบคุมจิตของเราหรือใจของเราไม่เหตุปูงไม่เหตุฟูงไม่เหตซ่านใจของเราก็อยู่กับสมาธินั้นใจของเราคิดเรื่องอะไรสมาสมาธิเรือว่าสติของเราควบคุมควบคุมจิตดวงนั้นใจเรื่องนั้นอยู่ตลอดถึงเราจะคิดเรื่องไปเรื่องการเรื่องงานก็จริงแต่พอคิดไปปับ๊บเมื่อกดับปับ๊บมันก็รู้คือสรุปแล้วก็คือใจของเรา สติของเราควบคุมจิตไม่ให้ปุ่งฟุ้งไปทางอื่น เ, เหมือนกับเรามัดโซ่ใส่เหล็กอย่างนั้นแหะ เ, เราเอาสติจับมัดมัดเหล็กไว้แล้วเมื่อมันจะออกไปมันก็ออกไปเราก็รู้มันออกไปแต่ดึงกลับมามันก็อยู่ในอยู่ในเชือกเช่นเก่าอยู่มันจะไม่ปุ่งไปไมฟุ้งไปทางอื่นอันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิแต่เราไม่ความพยายามดูจิตดูใจของเราอีก เอดูใจของเราอีกไม่ให้มันคิดไปทางอื่นจากนั้นจิตใจของเราจะรวมลงเป็นหนึ่งทีนี่รวมสงบลงไปอีกเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิในจิตรวมสงบนิ่งเรานั่งอยู่ที่ไหนเราจะไม่รู้ทีนี่สมมติว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านของเราเราจะไม่ได้ยินเสียงรถเสียงเครื่องบินเสียงคนพูดกันเสียงอะไรทั้งหมดมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็ น, น, น, นอันนั้นอันนี้แหะคือจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อรวมลงไปจะอยู่ได้นานมาับางคนก็อยู่ได้นานยี่สาสนาทีบางคนก็เป็นชั่วโมงก็มีบางทีก็สองสามนาทีก็มีสุดแท้แต่กําลังของใครเป็นสมาธิจะได้มากน้อยแค่ไหนจากนั้นมาก็ถอนขึ้นมาแต่พอถอนขึ้นมาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าโอ้โหเมื่อกี้เนี่ จิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมีความสุขจริงๆสมกับที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรารู้ได้เราจะเห็นได้ด้วยจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งที่เป็นอัปปนาสมาธิจากนั้นจิตของเราก็ถอนเป็นอุปจารสมาธิจิตที่เป็นอุปจารสมาธินี่แหะมีกําลังที่จะพิจารณาทางวิปัชนา วิปัสนาคือค่ควรทบทวนเพราะจิตใจมันยังคิดได้อยู่แต่มีเป็นแต่เพียงว่าสติควบคุมควบคุมจิตดวงนั้นมันคิดเรื่องอะไรก็รู้ให้มันคิดเรื่องอะไรเมื่อมันคิดเรื่องเกษาผมโรมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมันก็อยู่กับกรรมฐานที่เราให้อยู่เพราะว่าจิตสติของเราควบคุมจิตดวงนั้นอยู่ตลอดอันนี้เรียก ว, ว่าอุปจารสมาธิแต่ถึงยังไงก็ตาม เรื่องอัปปนาสมาธิเมื่อพวกเราถึงขั้นรวมถึงอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุใรเพราะมันชัดในความรู้สึกในในเมื่อขณะจิตที่รวมลงไปร่างกายกับใจเนี่ยมันเป็นคนละอันกันเป็นคนละอย่างกันแต่อาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้น่ะ ว่าเราจะรู้ได้ได้ชัดด้วยตนเองในขณะที่จะเจ็ดใจของเรารวมเข้าสู่ความสงบนี่แหละเจ็ดที่เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยเราจะรู้ได้ในระดับหนึ่งเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตายแล้วเกิดอีกนะตายแล้วไม่สูญนะสิ่งแท้ตายนั่นคืออะไรตายที่ไปเผาไฟนั่นคือร่างกายทุกคนตายหมดทุกคนเอาไปเผาไฟทิ้งทุกคนเอาไปบรรจุที่หงสุยทุกคน แต่ว่านามธรรมคือใจดวงนั้นอ่ะไม่ตายออกจากร่างนี่แล้วไปก่อพอพก่อชาติไปถ้าว่าใครมีบุญมีกุศลก็อย่างที่หลวงพ่อได้ ก, กล่าวเบื้องตน้นว่าปุพเพในวาสานุจติยานจตูปปาตยานนั่นแหละคือถ้าหากว่าพวกเราได้ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ก็มาเกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตผิดจากคนธรรมดาแต่ถ้าเรามีบุญ บุญกุศลก็จะพาเกื้อกูลหนุนพวกเราไปสู่สัมปรายจิ่กิดพบเป็นพบที่ดีจากนั้นเมื่อจิตแจของเราถอนเข้ามาถอนออกมาแล้ว อ, อันนั้นคือความสุขในการเป็นสมาธิจิตแจรองเรารวมเป็นสมาธิจากนั้นเราก็เดินทางที่ปัจฉนาแหะท่านเดินทางที่ปัจสนาก็ต้องศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อี ก, อกรอบถึงจะเดินยังไง บางท่านก็นเดินพิจารณาถึงอกรรมฐานห้าคือเกสาโลมาณขาทันตาตะโจเกสาคือผมนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังอจากนั้นก็พิจารณาถึงมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใช้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนร่างกายว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้เออ มันไม่เป็นของจิร่างถาวรนะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี้จะต้องแตกจะต้องอตายจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งขณะนะเมื่อร่างกายก็ยังเอาไปเผาไฟทิ้งใจของเราใจของเราคือปัวตัวผู้รู้เนี่ยรู้ได้แหละแท้จรินี้เออว่าว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เราแล้วนะเอขนาดร่างกายแท้ๆเร า, เ อ, าออกมาจากท้องแม่มาอยู่ใหญ่ถึงขนาดนี้แหละอีกสักวันหนึ่งเขายังเอาไปเผาไฟทิ้ง แล้วส่วนอื่นนะต่านี่งตึกลานบ้านช่องยศถาบรรดาศักดิโกโหติกาทั้งหลายจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันแยกส่วนแบ่งส่วนพอเห็นกายพอเห็นกายแล้วก็เห็นใจต่านี่งใจคือตัวผู้รู้นมามธรรมใจดวงนี้ก็เป็นตัวนึกคิดปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู้นเดีวก็คิดเรื่องนี้ เดี๋ยวก็คิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องอะไรตัวมิอะไรสรุปแล้วก็คือใจของเราก็เป็นอนิจจ์เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเนี่ยในเมื่อเราพิจารณาถึงจุดนั้นแล้วแตพิจารณาถึงใจถ้าถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเลยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเ จ, จ้าตรัสมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาถึงร่างกายสังขารพิจารณาถึงสมาธิจากนั้นก็เดินปัญญาพอเดินปัญญาเห็นาธาตุขันร่างกายก็มาพิจารณาถึงใจก็ปล่อยวางที่ใจใจตัวเนี้ยเป็นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องที่ออกไปจากใจทั้งหมดจะดีจะชั่วเออจะคิดปุ่มฟุ้งซ่านอะไรออกออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นมาพิจารณาถึงใจ อใจอย่าหลงใจนะใจใจต้องเข้าใจในใจนะจากนั้นใจของเราเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในร่างกายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใจก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละทีนี้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นคำนี้แหละมันอยู่ในจิตใจของท่านผู้นั้นจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นความปล่อยวางเทวานิพพานังปรามังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนางประมังศูนย์อย่างนิพพานศูนเนีศูนย์คืออะไรศูนย์เชื้อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายโลคโกรธหลงมันหมดแล้วมันศูนย์ออกไปจากใจแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ในจิตในใจของพวกเราเนี่แหละนิพพานไม่ได้หาที่ไหนหาอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อหวังความพ้นภพ ในวัฏฏะสงสารจะไม่ขอเมาเวียนไหว้ตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกพอมาเวียนไหวตายเกิดแค่นี้ละ่ะสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆทุกๆยากอยา ก, ยากแต่พวกเราคิดว่ามีอันจะกินในภพนี้ชาตินี้แต่ความทุกข์มหันฯก็เกิดกับเราไม่รู้กี่ครั้งแต่มหันตะทุกจริงๆคอยพวกเราอยู่คือมรณะภัยมรณะภัยจุดนั่นแหละยังคอยพวกเราอยู่พวกเราไม่น่าไว้ใจเลยมรณะภัย อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะเอจะ ต, ต้องมาเจอกับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้ยกพระบาลีเบื้องต้นว่าปุญญาณิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาเนี่ยบุญต้องเป็นที่พึ่งของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนา ถ้าคนมีบุญมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าออกจากชาตินี้ไปก็มีแต่ความผาสุขเย็นตลอดไปเออจนถึงตัดกิเลสราคะโทสะออกจากใจของพวกเรามีแต่ความสุขไปตลอดเพราะเหตุไรเพราะเราได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราแล้วเพราะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้กล่าวเบื้องต้นได้กล่าวถึง หลวงปู่เพียรของเราเป็นมาอย่างไร เ, เรื่องเจดีเป็นมาอย่างไราจากนั้นก็ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าโบรมครูของพวกเราท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานั้นท่านทําอย่างไรท่านได้ตัดสรู้อะไรที่ไหนท่านกําหนดกรรมาฐานอะไรจากนั้นห ล, หลวงพ่อเองได้กล่าวถึงหลวงปู่มั่นของพวกเราความเป็นมาของหลวงปู่มั่น จากนั้นท่านได้สอนกรรมฐานให้แก่สิทธิอนุสิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายท่านสอนอย่างไรท่านให้ภาวนาพุทธโธนะพุทโธลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธแต่ก็วิธีการทําสมถะจากนั้นก็วิธีจิตสงบเป็นยังไงคณิกะอุปจาระอปปนาจากนั้นก็ได้เดินวิปัสสนาเดินอย่างไรพิจารณาอะไรรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรจากนั้นก็ปล่อยวางที่ไหน ่ใจของเราเนี่แหละเนี่ยตัวการตัวใหญ่สําคัญพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จเลยด้วยใจแต่นามธรรมาจุดนี้นะ่ะมันมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเออมันไม่เห็นแต่ความรู้สึกนึกคิดของพวกเรานึกคิดเห็นได้อยู่แต่พวกเราเห็นแต่ร่างกายนะเพราะฉะนั้นพวกเราจึงให้ความสําคัญในเรื่องร่างกายเป็นเรื่องใหญ่มากโลกทั้งหลายแต่หลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจ ใจเป็นใจออกมาด้วยใจถ้าใจดีใจมีเหตุใจมีผลใจมีศีลใจมีธรรมเออใจมีคุณภาพใจมีคุณธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็รวมแล้วจะเป็นมีคุณภาพคุณธรรมแต่จิตใจของเราโลกโหโมกณะเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วนั่นแหละความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นมากทีเดียวเพราะใจของเราใจของทุกคนเต็มไปด้วยกิเลส นี่มีแต่โลภโลภโลภอยากยากยา ก, ยากอย่างนั้นน่ะ เ, เห็นใครก็โกรธนัง่นงยิกมนั่งอเห็นใครคนนั้นน่ะทั้งรักทั้งเกลียดทั้ทงชังเต็มไปหมดน่ะเพราะเหตุไรเพราะใจเต็มไปด้วยกิเลสถ้าเราชำระใจของเราบริสุทธิ์ดพพนแล้วบรมสุขก็จะเกิดขึ้นที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงบุญบา ร, รมีของหลวงปู่เพียรของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการเถิด